ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตรปปภาพปุพพสิขาและปุพพสิกขาวันน า, นาพระอมราพิรคิตะอมรเกิดวัดบ ร, รมนิวารรจนาต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงานาจารกถาานาจารก็หมายถึงการประพฤติชอบ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 เล่นหัดวิ่งหน้าช้างหน้าม้าเป็นต้นเล่นตบมือเล่นมวยปล้ำและเล่นตาระเล่นต่างๆอย่างอื่นซึ่งไม่มาในบาลีเป็นต้นว่าปีพาคปากหรือว่าผิวปากหรือว่าเรือน้อยเรือนน้อยเหล่านี้ชื่อว่าอนาจารไม่ควรแต่พิกตุและสามเณรด้วยจะเป็นภิกตุหรือว่าสามเณรตไม่ควรทั้งนั้นนะการเล่นต่างๆเหล่านี้ ท่านอ็ไม่ได้แจงอัดไว้แต่ว่าเป็นพิยาิาการที่ไม่เหมาะสมต่อไปข้อหนึ่งอย่า ก, กลิ้งศิลาเล่นถ้ากลิ้งเล่นต้องทุกกดด้วยทรงห้ามไว้ในวินิตวัตถุว่านักจากพิฆเเวดวายะศิลาวิชิตบาดังนี้ใช่แต่ศิลาอย่างเดียวแม้เป็นของอื่นคือท่อนไม้ต้อนอิดอันใดอันหนึ่งจะ ก, กลิ้งและโยนด้วยมือหรือเครื่องยนต์ไม่ควร วัวลาะไปพรางกลิ้งหรือว่ายกก้อนหินไปพรางเพื่อประโยชน์แต่พระเฉดีเป็นต้นเป็นกรรมมัสมัยใหม่ที่ทำกันงานเพราะเหตุนั้นควรอยู่ทำนวกรรมอื่นเช่นนี้หรือล้างของยกต้นไม้หรือว่าท่านไม้สำหรับล้างสำหรับซัดขึ้นกลิ้งโยนไปควรอยู่ในเวลาฉันอยู่เป็นต้นจะคว่างไม้หรือว่ากระเบื้องไล่ตาหรือสุนัข ก, ก็ควร นี่ก็ไม่มีอบัตินะแต่ว่าในพระสูตรนี่ท่านก็แสดงว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เช่นในมหาอสาาัจกรสูตรในชุดของมหมามกุราชวิทยารัยเล่มเบอรส์สบเก้าหน้าสองยิบสองหน้าสองยยสิบสาในมัชฌิ ม, มนิกายมูลปณานาตเล่มเบอร์บเกก็แสดงว่าภิกษุใดเนื้อก้อนดินหรือว่าท่อนไม้โดยไล่กาทั้งหลายซึ่งกําลังดื่มน้ําในหม้อน้ำหรือจิตกินข้าวสุกในบาศ กายยะสมะจาร์ของมิจุนั้นไม่บริสุทธิ์ในมหาอสัพปรสูตรที่กล่าด้วยเรื่องของธรรมะที่ทําให้เป็นสมณะและก็เป็นคฌามก็คือทําให้สงบแล้วก็สามารถที่จะลอยบาปได้สแสดงคือเรื่องของตัณฑ์ตีนโดยหัวข้อของยุริโอต ป, ปะกายยะสมะจาร์วจีสมะจาร์แล้วก็มโนสมะจาร์อาชีวปริสุทธิ์อินริยสังวรโภชเนมัตันยุตาจาคริยานุโยกสติสมิชั ญ, ญาในฐานะเจ็ด แล้วก็การประกอบวิเวกและพวกนิวรณ์ได้ด้วยปฏิสังขารประ hana เดินตำลังการพิจารณาเข้าจารสี่แล้วก็บรรลุวิชาสามในมหาอาสสกุลสูตรนั้นก็แสดงว่าการที่เงื้อเนื้อเงื้อก้อนดินหรือว่าท่อนไม้แค่นั้นแค่เงืเง้อเนื้อก้อนดินท่อนไม้เพื่อที่จะขับไล่กาทั้งหลายจึงมาดื่มน้ําในหม้อน้ำหรือว่ามาจิตกินข้าวสุกในบาศเนี่ยอันนี้ก็เป็นกายยะสมาจานที่ไม่บริสุทธิ์นะ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 อาปดาสุยาวดัดถังตามความต้องการถ้ามีอันตรายดังนี้ข้อหนึ่งยาจุดป่าด้วยทรงห้าไว้ว่าณพิกเวดาโยอาเลเตตัปโบแปลว่ายาพึ่งจุดไฟเผาป่าถ้าเผาป่าต้องทุกข์กดถ้าจุดเจาะจงวัตถุใดวัตถุนั้นตายเป็นประราชิกและอนันตริยกรรมและถุรจัยปาจิตตี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 เฉพาะให้เครื่องทัพภูปัตาราลณชิพายก็คือเครื่องทัพภาอุปกรณ์ตา่างๆเป็นทุกกฎจุดแม้ด้วยประสงค์จะเล่นเป็นทุกกฎเหมือนกันคำนี้กล่าวไว้ในสังเขปปัตตากถาอัตตกถาโดยสังเขตสังเขปปัตตากถาสังเขปปัตตากถาบอกว่าจุดจะจงให้ต้นไม้ที่สดของมีอินทรีย์ไหม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 คืทำลายเสียขัดเล่าเอารวดออกเสียหรือเอาได้พันคันเสียใช้กั้นเถิดในต้นด้านก็คือโคนด้ามเนี่ยสังขานดังดอกเห็ดควรอยู่ในที่ซึ่งเอาเชือกผูกใบร่มโยงมาผูกในคันเพื่อจะกันลมจะคัดขึ้นเป็นรวดดังวลายรวดนั้นก็ควรก็ให้มันนู น, นขึ้นเป็นแบบเหมือนรวดในจีวรติด อาคันตุกะตัดเย็บเหมือนหลังตะขาบและทำวิการด้วยเชิงเข็มอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในปากผ้าที่แผ่นผ้าทั้งสองกระทบกันและในที่สุดโดยรอบแองจีวอนจะเย็บเป็นช่องหรือเป็นสายโซ่เป็นต้นด้วยได้ต่างๆเพื่อจะประดับทั้งปวงนั้นไม่ควรทั้งสิน้นเย็บไปโดยปกติอย่างเดียวจึงควรแผ่นผ้าลูกดมและแผ่นผ้ารังดุม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 แต่แช่ลงเพื่อจะปอกมนทินมือหรือว่าขี้มืออะ่ะและมนทินเข็มนะขี้มือขี่เข็มมางทินเป็นสนิมอะไรพวกเนี้เป็นต้นที่เพื่อนในเวลาเย็ดและเก่าเพื่อจะฟอกควรอยู่ถ้าเข็มมันเก่ามีสนิมอะไรต่างแล้วเนี่ยจะไปแช่ลงในน้ําข้าวน้ำซุปปลาโูームเพื่อจะทําลายกลิ่นหรือว่ามนทินเหล่านั้นก็ควรจะเจอของหอมหรือครื่งหรือน้ํามันลงในน้ําย้อมไม่ควร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 องหนึ่งถือผ้ายืนอยู่องค์หนึ่งจับไปแล้วก็เอามือตบไปตบมาได้ในมุมจีวร น, นั้นไม่ควรยอมแล้วพึงตัดเสียได้ในมุมจีวรใดที่พระองค์ทรงอนุญาตไว้ได้นั้นพึงผูกทำเป็นบ่วงในอนุวาดเพื่อจะได้คล้องในเวลายอมแม้ในลูกดุมทำเป็นลูกหรือว่าปมเพื่อให้งามก็ไม่ควรพึงทาให้ชิบหายเสียแล้วก็บริโภคเถิด ในบาตหรือว่าในฐ า, ากะพาชนะเครื่องใช้พวกถาดเป็นต้นจะเอาเหล็กกลึงกลึงเป็นลวดข้างในข้างนอกไม่ควรจะเอาบาตเข้าพรมรขัดแล้วระบมด้วยประสงค์จะทําให้มีสีดังแก้วมณีก็ไม่ควรปัจจุบันนี้ก็มีการระบมกระทั่งข้างในนี่เหมือนกับตึกแมงทับเลยนะไป ส, สดงดงามแต่ว่าในที่นี้ก็แสดงว่าไม่ควร จะเอาบาตเนี่ยเข้าพมรขัดแล้วระบมด้วยประสงค์จะทำให้มีสีดังแก้วมณีนี่ไม่ควรแต่บาตมีสีดังน้ำมันควรอยู่ในมณฑลเป็นบังเวียนรองบาตจะขุดเขียนเป็นลวดลายไม่ควรแต่ปักเป็นฟันมังกรควรอยู่ข้างบนหรือว่าข้างล่างแห่งชัดธรรมกตกหรือในกระพุ้งธรรมกตกเป็นลวดไม่ควร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 หรือทำเป็นดอกไม้เป็นต้นในที่นั้นๆก็ไม่ควรก็แต่จะกรึงปักให้ตรงไปทำเป็นตัง้งตาหรือใบเป้งหรือทาเป็นแผ่นเกลี่ยมควรอยู่ชายแห่งประคบสายเดียวสองสายสามสายแม้สี่สายก็ควรยิ่งขึ้นไปกว่านั้นไม่ควรประกบเชือบเส้นเดียวจึงควรแต่ประคบทสังขารดังสังวาลแม้เส้นเดียวก็ไม่ควร แต่ชายแม้มีสันฐานดังสังวานควรอยู่ประคตที่เขารวบเชือกมากด้วยกันในที่แห่งเดียวแล้วเอาเชือกเส้นหนึ่งพันเลื่องกันไปดังนี้ยาพึ่งกล่าวว่ามีเชือกมากเลยประคตนั้นควรอยู่เพราะว่าเอาเชือกรัดพันทั้งหมดแล้วก็เหลือเส้นเดียวในทวินหัวประคตทำเป็นโรควิการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่ามงคลแปดไม่ควรทําพอเป็นรอยกําหนดที่ผูกควรอยู่ ในที่สุดทั้งสองแห่งถวินแนะทำเป็นรูปหม้อเพื่อจะให้มั่นคงก็ควรในกระบอกยาตาจะทำเป็นรูปสตรีบุรุษสัตสีเท้าและรูปนกและทำรูปวิการเป็นต้นว่าดอกไม้เคลือวันฟันมังกรโครบุตรจันครึ่งซีดไม่ควรทั้งหมดพึงขัดหรือว่าตัดเสียหรือพันด้วยได้อย่าให้ปรากฏแล้วก็ใช้เถิดกระบอกยาตาตรงไปอย่างเดียว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 จะแต่งให้มีสีเกลี้ยงให้งามไม่ควรในถุงกระบอกยาตาจะทาให้งดงามอย่างใดอย่างหนึง่งด้วยได้มีสีต่งางๆก็ไม่ควรแม้ในฝกักกุญแจก็เหมือนกันในตัวกุญแจเล่าจะแต่งให้มีสีงามก็ไม่ควรในซองในฝักมีดก็เหมือนกันในซองน้ำจะเย็ดอย่างไรอย่างหนึง่งด้วยได้อย่างไรอย่างหนึง่งแต่สีเดียวควรอยู่แม้ในเหล็กกลึงและมีดปลายแหลม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 ลูกสำหรับจงกลมกระดาษกระเชา้ากระดาษจหมายถึงที่กวาขยะไม่กวาแล้วก็ที่เทหยักเยื่อรางย้อมผ้ากระบวยตักน้ำหม้อน้ากระเบื้องสีเทาตังกระดานเชิงบาดดังวลัยและทำด้วยท่อนไม้ฝาบาทตาลปัดพัดวีชนีในของเหล่านี้จะทำให้น้ดงามด้วยสีทั้งปวงเป็นต้นว่าดอกไม้ควรอยู่ของพวกนี้ก็อนุญาตทำได้ แต่ในเสนาสนะในบานประตูและบานหน้าต่างเป็นต้นแต่งให้งดงามแม้ประดับด้วยแก้วทั้งปวงก็ควรในเสนาสนะสิ่งใดซึ่งจะพึงห้ามไม่มีเสนาสนะนี่แม้กระทั่งทองเงินเป็นผาชนะเป็นบริการเป็นโต๊ะติงต่างอะไรพวกนี้ก็ในเสนาสนะนี่ใช้ได้หมดบาลีมุตตะวิดิชโยจบวินิฉัยทั้งปวงนี้ใช่จะพ้นจากบาลีไปทีเดียวก็หาไม่ บางสิ่งอาศัยบาลีว่าณภิคเวอุจาวาจาคันธิตาวิฏาอัญชณีอัญชณีสลากาสัท ธ, ธดันดาปฏิฆ า, านัฐุกรณีกันนะมะละอาระนิโยทูมะเนตานิปตะมันดลานิทาเรตบานิบ้างแปลว่าลูกโดมลูกถวิลกระบอกยาตาไม้ดามยาตาด้ามมีด สนับรับปากเข็มกระบอกยานัดไม้ไขหูกล้องสูบยาบังเวียนรองก้นบาดของเหล่านี้เป็นของยิ่งและของย่อนคือแล้วด้วยทองและเงินทีลิุยาพึงใช้ถ้าใช้ต้องทุกกดลูกดมลูกทวินสองนี้แล้วด้วยกระดูกและงาและคลั่งและไม้ไผ่แล้วด้วยตะลาและสังและได้ควรอยู่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 ก็แลอุจาวาจาในบาลีว่าแล้วด้วยทองและเงินบ้างบางสิ่งเป็นอย่างอื่นบ้างดังประคดเอวว่าณนะอุจาวจานิายพันธนานิทาเรตบานิกลาบุกังเดดุพกังมุรัชชังมัทวินังว่าประคดเอวยิ่งและหย่อนคือมีเชือกมากและมีสันฐานดังศีสระงูน้าและพันไปมีสันฐานดังเกลียวเชือก และมีสันฐานดังสังวานพิกตุอยาพึงใช้ถ้าใช้ต้องถูกกฎแต่พันไปสันฐานดังเกลียวเชือกและสันฐานดังสังวานนี้ในชายประคตควรอยู่โดยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิขเว์ก็ความละมุรัชชังมัตตวินังดังนี้ปฏติกังประคตแตนผ้าทอโดยปกติและทอดังก้างปลาสูกรันตะกังประคตดังไสุกอน และปักกุญแจประคตสองอย่างนี้เป็นของทรงอนุญาตข้อหนึ่งทรงห้าไมไว้ว่านาภิกเวจิตรานิปัตะตมันดลานิทาเรตบานิรูปกากินนานิแปลว่าอย่าพึงใช้บังเวียนรองก้นบาทอันวิจิตเกลื่อนกลนด้วยรูปตักถ้าใช้ต้องถูกกฎข้อหนึ่งอย่าพึงทรงพัดวิชนีสี่เหลี่ยม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 ยุงปัดก็คือพัดไรยุงนั่นเองแม้มีด้ามแล้วด้วยงาและเขาก็ดีของเหล่านี้พระองค์ทรงอนุญาตพัดสามอย่างก็คือวากะมยาพัดทำด้วยเปือกไม้อุตีระมยาพัดทำด้วยรากแฝโมระปินชะมยาพัดทำด้วยขนหางนกยูงเหล่านี้เป็นของทรงอนุญาตข้อหนึ่งอย่าใช้ไม้สีฟันยาวนะข้อหนึ่งอย่าใช้ไม้สีฟันสั้นนะักได้ทรงห้ามไว้ว่า นาพิกเวดีคังดันตะกัดถังขาดิตะ บ, บังอนุชานามิพิกเวขอความละอัฏฐานกุลปัรมังดันตะกัดถังณอติมันดาหะตังดันตะกันถังขาดิตะ บ, บังอนุชานามิพิกเวขอความละจะตรังคุลังปัชชีมังดันตะกัดถังแปลว่าอย่าพึ่งเชี่ยวไม้สีฟันยาวถ้าเชียวต้องทุกขกดเราตถาคต อ, อนุญาตไม้สีฟันเพียงแปดนิ้ว ด้วยนิ้วมนุษย์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าต้นเหตุก็คือใช้ไม้สีฟันยาวมากก็เลยเอาไปตีธรรมเนนมีอาบัติด้วยนะตีธรรมเนินนี่อาบัตทุกกดแม้เจตนาอะไรก็แล้วแต่อย่าพึ่งเคี้ยวไม้สีฟันเล็กนักสั้นนักถ้าเคี้ยวต้องทุกกดเราจะถากคตอ น, อนุญาตไม้สีฟันสี่นิ้วเป็นอย่างสั้นต้นเหตุจากพระพิตุเคี้ยวไม้สีฟันสั้นแล้เลยตืน่นก็ขข้ลไติดคอ ทรงดัญญัติว่าห้ามไม่ให้ใช้ไม้สีฟันตัำกว่าสีนิ้วการไม่ใช้ไม้สีฟันนั้นมีโทษห้าอย่างก็คือไม่เกื้อกูลแกในตาทําให้เส้นประสาทตาไม่ดีด้วยปากเหม็นข้นทสองเอ็นรับรสไม่บริสุทธิ์ข้อที่สามข้อทีส่สี่แม้ดีและเสิมหะย่อมดึงรัดข้าสุขข้อที่ห้าข้าสุกไม่เป็นที่ชอบไม่อร่อยแกเธอนั้นก็เลยทําให้มีอยากฉันเมื่อมีอยากฉันก็เร่วแรงไม่มีก้าวบเพ็ญสมณธรรมไม่ได้เป็นนั้นการ แปลงฟันการใช้ไม้สีฟันนี้ก็มีอานิสงส์หลายประการถึง5ประการด้วยกันส่วนการใช้ไม้สีฟันก็มีอานิสงส์5้าอย่างพึงรู้ในในที่เป็นข่าศึกแษ่โทษนั้นเถอะก็คือทําให้เกื้อกูลแก่ตาทให้ประสาตตาดีปากไม่เหมินเอ็นรับรสบริสุทธิ์แล้วก็พวกดีเสดไม่รึงรัด ข, ข้าสุขเข้าสุขก็เป็นที่ชื่นชอบรสไปสัมผัสที่ลิ้นอย่างดีไม่มีเครื่องกั้นก็ทําให้อยารับการอาหารแล้วก็ทำให้มีกำลังเรียวแดงที่จะประพฤติ ไกลจิกขาได้ก้อนหนึ่งอย่าพึงทำการสั่งสมเครื่องที่ทำด้วยโลหะและเครื่องที่ทำด้วยสมัมฤทธิ์ถ้าทำการสั่งสมไว้ต้องทุกกดด้วยทรงห้าไว้ว่าณนะพิขเวโลหะพันดังกังสะพันดังสันนิจโยกาตะโบดังนี้กระบอกอยาตาไม้ดามยาตาไม้ไขหูปลอกมีดเป็นต้นแล้วด้วยโลหะและสมํมฤทธิ์ควรอยู่ ด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิภิกเวเขาความละอัญชะนิงอัญชะนีสลาตังตั น, นะมะละาหะนิงพันทะนะมะตังดังนี้ข้อหนึ่งบรรพชิตอย่าพึ่งชักชวนบรรพชิตหรือสาธมิกทั้งห้าใน ร, รมอันไม่ควรถ้าเธอใดชักชวนให้ทำต้องทุกกดด้วยทรงห้าไว้ว่านาิกเวปปชิเตนะอากปิเย สมาดะเตต บ, บังดังนี้ไปชักชวนในกรรมที่ไม่ควรแก่ปัปรตชิตไม่สมควรมีอบัตทุกกฎชวนให้ไปทำไม่ดีต่างๆโดยอาการทั้งปวงเนี่ยข้อหนึ่งพิสุเคยเป็นช่างกัะระบบคือช่างโกนผมอยู่ก่อนแล้วอย่าพึงรักษาเครื่องมีดโกนไว้ถ้าเธอใดรักษาไว้ต้องทุกกฎด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิเวณาหาปิตะปุปะเกณะคูระพันดังปริหริต บ, บงัง ดังนี้ถือเอารักษาไว้อย่างเดียวไม่ควรแต่จะโกนด้วยมีดโกนของผู้อื่นควรอยู่ถ้าพิกจูรับจ้างโกนผมก็ไม่ควรเธอใดไม่เคยเป็นช่างกระบกอยู่ก่อนแล้วเธอนั้นแม้จะรักษามีดโกนไว้ก็ควรแม้จะถือเอามีดโกนนั้นหรือมีดโกนอื่นมาโกนผมก็ควรด้วย ข้อหนึ่งทรงอน mm ุญาตไว้ว่าอนุชานามิธิขเวทเปตวาปะระนิงสับบางโลหะพันดังทเปตวาตตะตะตังจะกุมพระการิกังจะสับบางมัตติกาพันดังทเปตตวาอาสันดิงปัลังกังดารูปตังดารูปาดุตังสับบางดารุพันดังแปลว่าเครื่องทำด้วยโลหะทั้งปวงเว้นแต่เครื่องประหาร และของทําด้วยดินทั้งปวงเว้นแต่เครื่องสีเท้ามีสันฐานดังปัดบัวกับบูดีดินล้วนและของทําด้วยไม้ทั้งปวงเว้นแต่เตียงต่างสูงกว่าประมาณและบาตร ท, ทาด้วยไม้เสียงเท้าทําด้วยไม้นอกนั้นเราตถาคตอนุญาตก็ อ, อ, นต อ, อนุญาตมากมายเพื่อความอยู่ฝาสุขจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมของพระสาวกทั้งหลายของพิสุทธ์ทั้งหลายทรงมีพระมหากราุณาธิคุณในการพิจารณาโดยเคราะห์อย่างมาก เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะได้ศรัทธาแล้วก็ตั้งใอยู่ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่ตั้งใจศึกษาน้อมเป็ น, นการที่จะประพฤติปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่อธิศสธและศรกทาก็คือศรกษาบทในปาฏิโมกและก็นอกพระปราฏิโมกในพระวินัยจดกนี้เพื่อให้เกิดศรัทธาปัสาะทะยิ่งขึ้นในการที่จะบําเพ็ญวิริยะสติสมาธิปัญญาเพื่อจะพอบคูนปลายศรัทธาให้บริบูรณ์เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายเมื่อมีศรัทธาเมื่อมีปัสสะทะ ในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้เจริญรุ่งเรืองในพระศาสนานี้จนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลสิ้นวัตตะทุกในที่สุดด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ